<Book> two. <67. S 3> บท o ี่สิบเจ็ดตัวชีชะบลระตัชะบลระสรรพนามสแสดงความเป็นเจ้าของสองยะฮัจอาาบเจฮยฮัจอา์ซาาจฮแว่นตา นุเรน์นร์เขาลืมแว่นตาของเขาอชีนเจกชิปชอชีนุเจก ช, ชิปชาเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนอชีนเดชอีนเดช นาฬิกาสาตสึตสาตึนาฬิกาของเขาเสียยิสภตกุตหยิสภตกุตาหนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องสาตึบกมุมาสตึดัดบกุมพชิชฌา หนังสือเดินทางพาสป p o r เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายอีกอนกอีกอนแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนอีที่ดชิอี p a ที่ดชิ พวกเขาของพวกเขาอาคัรอา ค, ยยอครอคัคมใหญ่เด็กอัมเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบเชลตซุกขมยานยาตอาติจิรับเชลตซุกมยันยารอติจิรบแต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้วมาบะอฮมายานยาฮ์กกอจิกมาบะอฮมายานยาฮ์กกอจิกคุณของคุณวะวะวีวะวะวีววววการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์ วิธีการสุดท้ายที่เราควรใช้คือการใช้คำว่ววาพันธุ์ญาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์วิธีการสุท้ายที่เราควรใช้คือกิทคุณ ของคุณวะวะวิวววววการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธวิเซคุนสเดอชตูเรเบอร์วชราวาชูชมิทวิเซคุนสเดอชตูเรเบอร์โวชราวาชูชมิทสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ วิสหารุสติดาช์โกชูชมิด